ที่มีหนังสือมีซีดีนี้ก็เป็นเพราะว่าในการที่เราจะปฏิบัติก่อนที่เราจะปฏิบัติได้เราต้องศึกษาวิธีของการปฏิบัติตอนถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเราปฏิบัติก็จะปฏิบัติไปแบบพลิกๆจูกๆ จะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกทั้งหลายท่านได้รับผลกันนั้นน่อมเป็นไปไม่ได้เนื่องจากใจของปุถุชนนี้ยังไม่มีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่จะยังเข้าถึงสัจธรรมความจริงที่เป็น ที่ทำให้สัตว์โลกต้องเวียนว่ายตายเกิดที่ทำให้สัตว์โลกยังต้องเกิดแก่เจ็บตายยังต้องทุกกับเรื่องราวต่างๆไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเองจนไปถึงพระนิพพานได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียว นอกนั้นแล้วถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีผู้สั่งสอนจะไม่สามารถปฏิบัติให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นการศึกษาจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น เรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อหลุดพน้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าสาวกนี้ก็แปลว่าผู้ฟังพระอาหารหันต์นี้มีสองชนิดด้วยกันคือพระอาหารหันต์ตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอาหารหันต์ผู้ตัดสู้ได้ด้วยตนเองบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองส่วนระสาวกพระอาหารหันตัดสาวกนี้ก็คือพระอาหารหันต์ผู้ที่ต้องฟังจากคําสอนของพระพุทธเจ้าพอถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นในพระพุทธศาสานานี้จะมีเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ที่สามารถปฏิบัติได้โดยที่ไม่ต้องศึกษาจากผู้ใด่อนสามารถบรรุรักของมิผ่านได้ด้วยตนเองนั่นก็คือพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสช้อโรแล้วพระองค์จีงนำเอาเพราะธรรมคำสอนความจริง ได้ตักเสลวนี้มาเผยแพ่ให้แก่ผู้อื่นต่อไปผู้ที่รับคําสอนของพระพระเจ้าลาปฏิบัติก็จะบรรลุว่าผลมิผ่านได้หากเมื่อบรรลุแล้วเป็นพระอารหันต์ก็จะเรียกว่าพระอารหันตสาวก ค, คือไม่ได้เป็นพระอารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยพระองค์ด้วยตนเองแต่เป็นพระอาหารหันต์ด้วยอํนานาจของคําสอนของพระพุทธเจ้าพระคำว่าสาวกึงแปลว่าผู้ฟังพวกเราก็เป็นเหมือนสาวกเป็นผู้ฟังเพราะว่าก่อนที่เราจะปฏิบัติได้เราต้องฟังก่อนเราต้องรู้จักวิธีของการปฏิบัติที่ถูกต้อง ถ้าเราไม่รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องการปฏิบัติของเราก็จะล้มเหลว <c oughs> ก็จะไปไม่ถึงมรรคผลมิพานหลังที่เราต้องการที่จะไปกันอันนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนว่าขั้นแรกนั้นต้องมีปริยัติธรรมก่อนคำว่าปริยัติธรรมก็คือการศึกษากธรทำคาสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> ซึ่งมีหลายรูปแบบด้วยกันจะศึกษาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ได้ถ้าเกิดในสมัยที่มีพระพุทธเจ้าทรงมีพระชนชีพอยู่เช่ <c oughs> นในยุคแรกๆตอนที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมคำสอนใหม่ๆต้องเป็นผู้สอนให้แก่ผู้ฟัง ทั้งแรกก็ทรงประกาศสอนให้แก่พระบรรจวิคีทั้งห้าหลังจากที่ทรงแสดงแล้วก็ปรากฏมีพระอญยานโกนทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นอริยพระอริยบุคคลขั้นแรกขั้นที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นทรงแสดงพระธรรมอีกครั้งสองครั้ง พระปัญจวัคคีทั้งห้ารูป ก, ก็ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันพร้อมกันหลัจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้แก่นักบวชในสำนักต่างๆทั้งหนึ่งทรงแสดงให้กับนักบวชในสำนักหนึ่งที่มีจํานวนประมาณห้าร้อยรูปหลังจากที่ทรงแสดงเสร็จนักบวชทั้งห้าร้อยรูปนั้นก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทันที เอกที่พวกที่ฟังแล้วได้บรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้ทันทีนั้นเนื่องจากเขามีธรรมที่รองรับไว้ก็คือมีศีลมีสมาธิพอได้ฟังธรรมะซึ่งเป็นปัญญาก็ทำให้บรรลุมรรคผลวิ่านได้ถ้าฟังแล้วไม่ได้บรรลุก็แสดงว่ายังไม่มีสมาธิ ยังไม่มีศีลเริ่มีศีลแต่ไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธินี้ฟังยังไงก็จะไม่สามารถบรรลุได้อย่างสมัยปัจจุบันพวกเราฟังเทศฟังธรรมกันจนหูฉี่กันแล้วแต่ใจไม่บรรลุเพราะใจเราไม่สงบพอใจเราไม่ตั้งมั่นพอใจเราไม่เป็นกลางพอ ใจเราต้องเป็นอุเบกขาสักแต่ารู้ถ้าใจเป็นกลางแล้วใจจะมีพลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัญหาที่จะคอยสร้างความทุกข์ให้แก่ใจดังนั้นถ้าเราฟังทำแล้วเรายังไม่บรรลุ <c oughs> ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะบรรลุได้ การที่เราจะราบการที่เราจะมีปัญญาได้ฟังธรรมแล้วเกิดปัญญาได้ใจเราต้องสงบเป็นอุเบกขาก่อนต้องมีต้องเป็นจิตที่เป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เอกตาโลใจเป็นการเป็นอุเบกขามีความอิ่มมีความสุขถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ต้องพยายามปฏิบัติให้ถึงจุดนั้นก่อน ก่อนที่เราจะปฏิบัติขันสมาธิได้เราก็ต้องมีศีลที่สมบูรณ์คือต้องต้องรักษาศีลห้าศีลแปหรือศีลสองอยี่สิบเจ็ดข้อให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าใจยังไม่สามารถรักษาศีลต่างๆได้ใจจะไม่มีความสงบพอที่จะเจริญสติเพื่อทาใจให้สงบ ไม่เป็นสมาธิได้แล้วก่อนที่จะรักษาศีงได้ก็ต้องใจต้องทา บ, บุญให้ทานให้ได้ก่อนต้องเสียสละชัพสมบัติข้าวของเงินทองให้ได้ก่อนต้องไม่ยึดติดต้องไม่หวงในทรัพย์สมบัติต้องไม่หลงกับทรัพย์สมบัติว่าเป็นเหตุที่จะนาความสุขมาให้ ต้องเห็นว่าทรัพย์สมบัตินี้เป็นเหตุที่นําความทุกข์มาให้เป็นเหตุที่ทําให้ไม่สามารถรักษาสินได้ผู้ที่ยังเล่ายังอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองยังอยากร่ำอยากรวยจะรู้สึกว่าการรักษาสินนี้เป็นอุปสรรคเพราะว่าจะไม่สามารถรวยได้อย่างง่ายๆแต่ถ้าอยากจะรวยอย่างง่ายๆนั้นก็ต้อง ไม่รักษาศีลต้องช่อโกงได้ต้องโกงหกหลอกลวงได้ถึงจะรวยได้เร็วได้เงินทองมามากๆถ้ายังใจยังมีความรักความอยากได้ในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองยังอยากรั่งอยากรวยยังอยากใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขชนิดต่างๆอยู่ก็จะรักษาศีลไม่ไปได้ เรารักษาสิไม่ได้ก็จะภาวนาทำใจให้สงบไม่ได้แลนะการที่เรายัางมีความผูกพันกับการหาเงินกับการใช้เงินอยู่มันก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมมาเจริญสติมาภาวนามานั่งสมาธิ เพราะว่าการจะเจริญภาวนานี้จกาเป็นจะต้องอยู่ในที่สงบสงับอยู่ในที่ทีเยืกห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสขบตัปาที่คอยยั่วยวนกวนใจหลอกล่อให้ใจเกิดอารมณ์ความอยากต่างๆขึ้นมาดังนั้นถ้าอยากที่จะปฏิบัติ ให้มีสีลมีสมาธิเพื่อรองรับปัญญาคาสอนของพระพุทธเจ้าก็าจาเป็นที่จะต้องไม่หาความสุขจากการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆเมื่อเราไม่ใช้เงินทองซื่อความสุขต่างๆเราก็ไม่จาเป็นจะต้องหาเงินทองมามาก เราเปลี่ยนแต่หาเพื่อให้ได้ปัจจัยฉีเพื่อมาเกือเจืองอัสภาพร่างกายเราก็จะมือเวลาว่าว่าพอที่เราจะไปปีกวิเว่ไปรักษาสีไปภาวนาได้ไปทำใจให้สงบได้พอใจเราสงบแล้วพอเราได้ยินได้ฟังมาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะ มาทางโดยสื่อใดก็ตามจ ะ, จะศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้อ่านจากหนังสือในพระไตรปิฎกหรือฟังหรืออ่านหนังสือของพอระปฏิบัติหรือปฏิบัติท่าทั้งหลายหรือฟังเทศน์ังธรรมที่ได้จะได้บันทึกไว้ในสื่อ ต, าตา่างๆถ้าใจมีการสงบมีสมาธิแนละ้วแล้วทําที่แสดง น, นั้นเป็นธรรมที่ถูกต้อง ก็จะสาว่ารถบรรลุทันได้ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งเป็นการฟังเทศสังธัรอย่างที่พวกเรากําลังมานั่งฟังกันอยู่ในขณะนี้การสังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการศึกษาแผนที่ดูแผนที่เราจะเดินทางไปสู่ จุดหมายปลายทางได้เราต้องรู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าเราไม่มีแผนที่แล้วเราไม่เคยเดินทางไปที่จุดนั้นที่จุดหมายปลายทางนั้นเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ก <c oughs> ารที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนการเดินทางที่จำเป็นจะต้องมีแผนที่หรือต้องมีผู้นำทางครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านก็เป็นเหมือนแผนที่เป็นผู้นำทางท่านได้อยู่ได้ศึกษากับท่านก็จะได้ยินได้ฟังวิธีของการปฏิบัติที่จะสอนให้เรานำอาอกไปปฏิบัติให้ถูกต้อง เมื่อเราปฏิบัติถูกต้องแล้วเราก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปในทางพระพุทธศาสนานี้ท่านให้ความสําคัญต่อการศึกษาเป็นอย่างมากเช่นพระพุทธเจ้าทรงบงังคับให้พระที่บวชใหม่นี้ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อยห้าพรรษาก่อนต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ เพราะถ้าไม่ศึกษาแล้วไปปฏิบัติตามลำทางนี้จะหลงทางได้เหมือนกับนักบินก่อนที่จะบินได้ก็ต้องศึกษาวิธีการบินจากผู้ที่รู้จักการบินมาก่อนถ้าจะขึ้นเครื่องแล้วไปขับโดยเพราะคิดว่าเคยขับรถมาแล้วขับเครื่องบินก็คงจะเหมือนกับขับรถก็ขับโดยที่ไม่ต้องมีครูสอน ก็คงจะไม่สามารถนําเครื่องให้บินขึ้นไปสู่อากาศได้ไดันใดการเป็นฆราวาสก่อนที่จะมาบวชก็มีความรู้ความสามารถที่จะทําอะไรต่างๆได้พอมาบวชแล้วก็คิดว่าไม่จําเป็นจะต้องศึกษาไม่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ได้สามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยได้ด้วยตนเองเลย สมัยนี้เจงมากมีพระที่บวชแล้วไม่อยู่กับครูบาอาจารย์กันบวชแล้วก็ไปตั้งสำนักกลายเป็นเจ้าสำนักใหม่แล้วก็ปรากฏเรื่องราวที่แฉโฉ่ตา ม, มาต่อไปนั่นก็เป็นเพราะว่าไม่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่จะสอนวิธีอยู่แบบพระให้แก่ผู้ที่บวชใหม่ผู้ที่บวชใหม่นี้ยังไม่ถือว่าเป็นพระ จริงเป็นภาพเฉพาะรูปล่างเท่านั้นก็คือได้โกนศีสัตได้ห่มผ้าเหลืองแต่ใจนั้นก็ยังเป็นปุถุชนอยู่ดังที่หลวงตาท่านเคยพูดว่ากิเลสมันไม่กลัวผ้าเหลืองมันไม่กลัวการโกงศีสัตอย่าไปคิดว่าห่มผ้าเหลืองแล้วโกงศีรัตวกิเลสมันจะตายไป ท, ทัทนทีทันใดกิเลสมันก็ยังมีอยู่แต่หัวใจ มันต้องอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ถึงวิธีชําระกิเลตถึงวิธีการอยู่ที่ถูกต้องของสมณะนักบวชว่าจะต้องอยู่อย่างไรต้องมีกิริยาลัทยะอย่างไรต้องรู้จักวัตธรรมวินัยคือสินสยี่สิบยี่ข้อก่อนเราต้องรู้จักศึกษารู้จักปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นต้องใช้เวลา การพอสมควรอย่างน้อยก็ห้าพันษาด้วยกันสำหรับหลวงตาหมาดัวนี้ใครไปอยู่ศึกษากับท่านท่านก็จะไม่ให้ออกไปถ้ายังไม่ได้อยู่กับท่านถึงห้าพันษาและบางองค์ถึงแม้ได้อยู่ถึง 5, นะถห้าพันษาแล้วท่านเห็นว่ายังไม่พร้อมที่จะไปตามลำทังท่านก็จะไม่อนุญาตให้ไป พ่าผู้ที่บวนใหม่ก็เป็นเหมือนกับเด็กเพิ่งคลอดออกมานี้เองจำเป็นต้องอยู่กับพ่อแม่ก่อนให้พ่อแม่สอนวิธีการขับถ่ายวิธีการรับประทานอาหารวิธีเดินวิธีนั่งวิธียืนวิธีทำอะไรต่างๆก่อนจนกว่าจะโตเป็นผู้ใหญ่บรรุนิติภาวะแล้วเ็นขนาดเป็น คาลาวานี้ก่อนที่จะเป็นตัวของตัวเองได้ก็ต้องอายุยี่สิบเอ็ดไปแล้วการจะเป็นพระก็เช่นเดียวกันต้องศึกษาก่อนอันนี้เป็นเพียงศึกษาขั้นธรรมวินัยส่วนเรื่องเกิดเรื่องศีลเรื่องการปฏิบัติที่เหมาะสมกับการเป็นพระควบคู่กับการปฏิบัติทางด้านจิตใจคือทางด้านธรรมะ เราจิตได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมวินัยคำว่าวินัยก็แปลว่าศีลคำว่าธรรมก็คือคาสอนที่จะทำให้ได้บรรลุมรรผลนิพพานดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือครวาสถ้าต้องการจะเข้าสู่ทางของพระพุทธศาสนาก็จำเป็นจะต้องศึกษาด้วยกันท่นั้น คารวะก็ต้องศึกษาต้องมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันนักบวช ก, ก็ต้องมีครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันพอมีครูบาอาจารย์มีผู้สั่งสอนแล้วก็จะได้ซึมซาบความรู้ต่างๆเมื่อได้ความรู้นั่งนำเอามาปฏิบัติให้ถูกต้องผลก็จะปรากฏตามขึ้นมาใน ในท่าทำคำสอ น, นท่านยังสอนว่าขั้นที่หนึ่งก็คือปริยัติธรรมให้ศึกษาพว่าทำคําสอนขั้นที่สองเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็คือให้นําเอาสิ่งที่ได้ศึกษามาปฏิบัติขั้นที่สามก็เรียกว่าปฏิเวทคือการบรรลุผลรู้จักวิธีที่ ป, ปฏิบัติจนสามารถ บรรลุผลที่ต้องการได้พอได้ขั้นที่สามแล้วถึงไปสู่ขั้นที่สีต่อไปก็คือการเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ต่อไปนี่คือวิธีที่เราพุทธศาสนชนิกชนสืบทอดและถ่ายทอดและพุทธศาสนามาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ต้องถ่ายทอดด้วยปารยัดปฏิบัติปฏิเว เพราะว่าถ้าไม่ถ้าข้ามใดขั้นถ้าข้ามขั้นใดขั้นหนึ่งไปแล้วก็จะไม่ถูกต้องจะไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ถ้าศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติก็ยังไม่รู้จริงเห็นจริงถ้าจะนำมาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็สั่งสอนแบบแบบงูงูปลาปลา แบบตาบอดคำช้างคือรู้บางส่วนบางเรื่องแต่ไม่รู้ครบทุกเรื่องทุกส่วนเช่นตาบอดคนตาบอดห้าคนสี่คนคำตัวช้างแต่ละคนก็รู้ความจริงในส่วนที่ตนเองไปทำเช่นไปคำท้องช้างก็ว่าช้างนี้เป็นเหมือนฝาสนังไปจากงูก็ว่าช้างนี้เป็นเหมือ น, นงูไปจากหา ง, งก็ว่าช้างนี้เป็นเหมือนเชือก มาจากนาก็ว่าช้างนี้เป็นเหมือนหอถูกทั้งนั้นแต่แต่ไม่ถูกหมดแล้วก็มาถกเถียงกันว่าช้างเป็นอย่างนั้นช้างเป็นอย่างนี้ในบรรดาผู้ที่ศึกษาทมแต่ไม่ได้ปฏิบัติทรม่าจะมีการถกเถียงเรื่องทมกันอยู่มาตลอดเวลาฝ่ายหนึ่งก็ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิให้จเจริญปัญญาเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าต้อง จะเริ่อต้องจเจริญสติก่อนถึงจะได้สมาธิก็มีถูกทั้งนั้นที่ว่าไม่ต้องนั่งสมาธิก็อ้างว่าตอนสมัยพระพุทธเจ้าท่งประกาศพระธรรมคำสอนคนฟังเวลาฟังธรรมคบก็บรรลุได้เลยเกยเรียกว่าปัญญาให้ปังให้ใช้ปัญญาเลย แต่เขาไม่รู้ว่าคนที่ฟังนั้นมีสมาธิอยู่แล้วจิตของเขามีความสงบอยู่แล้วเขาจึงไม่จาเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่จาเป็นจะต้องสอนเรื่องสมาธิพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนครูอาจารย์สมัยนี้พี่ดูเด็กก็รู้ว่าเด็กคนนี้จบชั้นไหนมาแล้วถ้าจบชั้นปรถมมาแล้วก็ไม่จาเป็นจะต้องสอนเรื่องชั้นปฐมสอนชั้นมัธยมไปเลย ถ้าจบชั้นมัธยมไปแล้วก็ไม่ต้องมาสอนชั้นมัธยมซ้อนระดับเป็นยาตรีไปเลยเวลาพระเจ้าจะทรงแสดงธรรมให้กับใครนี้ทรงดูใจของผู้ฟังก่อนพระองค์ทร ง, งมียายสามารถดูสมรรถภาพหรือความสามารถของจิตของแต่ละดวงได้ว่าจิตดวงนี้มีอะไรอยู่แล้วมีเสียอยู่หรือยังมีสมาธิอยู่หรือยัง ถ้ายังไม่มีก็สงสอนในสิ่งที่ต้องมีก่อนเช่นสอนกับคารวะท่านก็สอนให้ทำบุญให้ทานก่อนเพราะใจยังไม่เป็นบุญเป็นกุศลยังคิดโลภอยากได้เงินได้ทองอยู่ก็ต้องสอนให้เสียสลับให้ปลอยจากทรัพย์พวกที่ไม่มีสินก็สงสอนให้รักษาสินพวกที่ไม่มีสมาธิก็สอนให้รักษาให้เจริญสมาธิ แต่พวกที่มีศีลมีสมาธิแล้วก็สอนเรื่องปัญญาเลยสอนอริยสัจสี่สอนมรรคแบบสอนอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือการสั่งสอนที่ถูกต้องถ้าเป็นหมอก็ให้ยาถูกต้องกับคนไข้คนไข้ปวดท้องก็ให้ยาแก้ปวดท้องคนไข้ปวดหัวก็ให้ยาแก้ปวดหัวอย่างนี้รักษาปั้เดียวคนเดียวก็หายได้ นี่ก็คือเรื่องของการการศึกษาการปฏิบัติการสื่อทอดพระพุทธศาสนากาเป็นจะต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรู้จักมรรคแให้รู้ว่านี่แหละเป็นแก่นของศาสนาแก่นของศาสนาก็คือมรรคแหรือพระอริยสัจส คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆคำสอนนี้ออกมาจากพระอริยสัจสี่นั่นเอเพราะพระองค์ทรงตรัสว่าคำสอนของตถาคตนี้ถึงแม้จะมีมากม า, ายกายกองแต่ทุกคำสอนของของตถาคตนี้มีรสชาติเหมือนรสของน้ํำทะเลที่มีจํานวนปริมาณมากมายน้ําทะเลน้ํามหาสมุทรนี้มีปริมาณมาก แต่น้ำทะน้ำในลาสมนุนนี้มีรสอันเดียวกันเหมือนกันหมดก็คือรสของความเข็มฉันใดคำสอนของตถาคตนั้นก็มีรสอยู่รสเดียวก็คือการดับทุกข์สอนให้ดับทุกข์เท่านั้นเองและวิธีที่จะดับทุกข์ก็คือมักมัชที่เป็นองค์ที่สี่ของของอริยสัจสี่ ทุกสมุทัยที่รอดมักที่สงสารทุกสมุทัยก็เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเองใจของพวกเราทุกคนนี้มีทุกมีสมุทยัยทุกวัานี้เราไม่สบายใจกันมีใครกฏิเสธได้ว่าไม่มีความไม่สบายใจต้องมีเรื่องไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนี้ แล้วเรื่องเหตุที่ทำให้ไม่สบายใจก็ไม่ใช่อะไรก็คือสมุ ท, ทยัยสมุทัยแปลว่าต้นเหตุของความไม่สบายใจทรงแสดงว่ามีอยู่สามประการด้วยกันคือหนึ่งกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพสดภะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภาวะตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็น ความอยากในกามก็คืออยากในเรื่องเสียงกลิ่นรสอยากดูหนังฟังเพลงอยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยากจะดื่มอยากจะรับประทานนี่เรียกว่ากามมรัคหาถามตัวเราเองว่ามีอยู่หรือเปล่ามีอยู่ในใจหรือเปล่าถ้ามีแล้วรับรองได้ว่าความไม่สบายใจของเราส่วนหนึ่งก็ต้องออกมาจากกามมรัคหานี้ เวลาอยู่คนเดียรู้สึกเป็นยังมีความสุขไหมหรือเศร้าสร้อยหงอยเหงาว่าเหวยที่เศร้าส้อยหงอยเหงา ว, าว่ า, า, วาเหว่ยก็เพราะเกิดความอยากอยากจะมีเพื่อนอยากจะอยู่ใกล้ลูกเสียงกลินรสชนิดนั้นชนิดนี้พออยู่ตามลำพังไม่มีลูกเสียงกลิ่นรสมาให้สัมผัสก็รู้สึกว่าเหว่ยเศร้าส้อยหงอยเหงาขึ้นมานี่แหละก็คือความทุกขนะ์แล้วเกิดจากความอยาก อยากในการอยักชนิดที่สองก็คือภาวะตัณหาอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรหรือเปล่าอยากรวยหรือเปล่าอยากมีทรัพย์ภรรยาหรือเปล่าอยากมีสามีหรือเปล่าอยากได้ทรัพย์สมบัติมากๆอยากได้ตำแหน่งสูงๆหรือเปล่าอันนี้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาระถ้ามีความอยากเรื่นี้อยู่ก็จะอยู่ไม่เป็นสุขอยู่เฉยๆไม่ได้ คุณถ้าอยากจะเป็นสอสอก็ต้องไปหาเสียงต้องไปวิ่งเต้นอยากจะได้ตําแหน่งถ้าไม่สามารถแต่งตั้งตนเองได้ก็ต้องวิ่งเต้นต้องหาคนที่เขาแต่งตั้งเราให้ตั้งเราให้ได้ถ้าอยู่เฉยๆกลัวจะไม่ได้แต่ถ้าไม่อยากได้ก็ไม่ต้องไปวิ่งเต้นให้เหนื่อยยอยู่เฉยๆสบายจะตายแตกักอยู่กันไม่ได้ เพรอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่นั่นเองส่วนข้อที่สามก็คือวิภาวัีหาความอยากไม่มีอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนั้นเช่นไม่อยากจนไม่อยากมีตําแหน่งต่างๆไม่อยากจะถูกกระหาร์หนิงทาไม่อยากจะจับเข้าคุบเข้าถูกจับเข้าคุกเข้ากลาไม่อยากจะถูกขับไล่ออกจากงานไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตาย ถ้าเรามีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจแนละ้วมันก็จะเกิดความไม่สบายใจทํางานก็กลัวจะถูกปลดออกจากงานมีตําแหน่งก็กลัวจะถูกปลดออกจากตําแหน่งก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าใจไม่ยินไม่ยินร้ายกับตำแหน่งกับสถานภาพต่างๆจะเป็นยังไงก็เป็นได้ก็จะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อน ถ้าเราอยากจะไม่ทุกขเราก็ต้อ ง, องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้ต้องอยู่คนเดียวได้ไม่ต้องเสพรูปเสียงกิ่นรส ต, าตา่างๆต้องไม่อยากมีอยากเป็นเป็นอะไรก็ได้ตอนนี้เป็นอะไรต้องเจ็บต้องตายก็อยู่กับมันไปถึงเวลาแก่ก็ให้มันแก่ไปถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มันเจ็บไปถึงเวลาตายก็ให้มันตายไป พราะเราไม่สามารถที่จะไปคว บ, บคุมมันครับไปห้ามมันได้นั่นเองไปห้ามมันก็จะทำเหนื่อยไปก่าๆจะทุกข์ใจไปเปล่าๆเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่ดีวิธีที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวเหล่านี้ก็คือเราต้องหยุดความอยากเหล่านี้ให้ได้การที่จะหยุดความอยากก็เป็นเหมือนกับรถยนต์รถยนต์จะหยุดได้ก็ต้องมีเบรค ถ้าไม่มีเบรกนี่รถมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคนขับอยากจะให้รถหยุดแต่เหยียบเบรกแล้วไม่มีเบรกรถมันก็จะไม่หยุดฉันใดเราอยากจะหยุดความอยากต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีเบรกที่จะหยุดความอยากเราก็หยุดความอยากไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงสร้างเบรกขึ้นมาให้พวกเรามาเบรกใจเรากัน โดยที่พระเจ้าทรงสร้างก็เรียกว่ามัคนี้เองมัช ก, ก็คือเครื่องมือที่จะเอามาใช้หยุดความอยากมัคนี้ท่านก็ทรงสแสดงหลายลูปแบบหลายลักษณะแต่ก็มีความความจริงมีสาระอันเดียวกันขึ้นอยู่กับสถานภาพของผู้ฟังถ้าสอนให้กับนักบวชก็ทรงสอนสิงสมาธิปัญญาหรือถ้าขยายความก็เป็นมัชที่มีองค์แ คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรอันนี้เป็นปัญญาสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอชีโวอันนี้เป็นศีลสัมมาวายาโมสมาสติสมาสมาธิอันนี้เป็นสมาธิก็คือศีลสมาธิปัญญานี้เองคือถ้าแสดงแบบโดยย่อก็ไม่ได้แสดงมักแต่แสดงศีลสมาธิปัญญาไป ถ้าแสดงโดยรายโดยรายละเอียดโดยละเอียดก็ส่งแสดงมากกว่ถ้าเวลาส่งแสดงมากให้แก่คาราะยากโยมก็ส่งแสดงทานศีลภาวนาเนื่องจากว่าคารวะนี้ยังมีทรัพย์อยู่มากยังยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าขอเงินทองยังยังอาศัยทรัพย์เป็นเครื่องมือหาความสุขอยู่ก็ต้องสอนให้เขาเลิก หาทรัพย์เลิกใช้ทรัพเพื่อที่จะได้มารักษาสิงมาภาวานาได้มันเองอันนี้ก็เป็นมกักันการศิงภาวานาในภาวานาก็มีทั้งสมาธินะมีปัญญาสมถะ ภ, ภาวานาก็แปลว่าทําใจให้สงบให้เป็นสมาธิวิปัสสนาภาวานาก็คือความรู้าาแจ้งถึงจริงทําให้ใจรู้แจ้งถึงจริง จะรู้แจ้งเห็นจริงก็ต้องรู้ด้วยปัญญาต้องรู้อริยสัจสต้องรู้อนิจจัทุกขังอนัตตารู้ไปรลักอันนี้แหละคือเบรที่เราจะใช้ในการหยุดปัญหาความอยากต่างๆถ้าเราหยุดปัญหาความอยากได้แลนะ้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์เพราะต้นเหตุของความทุกข์ก็คือปัญหา ปัญหานี้ก็เป็นเหมือนชื่อโรคถ้าเราพูดถึงร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรพเพราะชื่อโรคเ่เป็นไข้หวัดนี้ก็มีเชื้อโรคเข้าไปถ้ามียาฆ่าชื่อโรคได้อไข้ก็จะหายไข้ก็จะหาย้ปั่นยานี้ก็คือมักนี่เองดังนั้นเราต้องพยายามกินยาเพราะตอนนี้ใจของเราไม่สบายเราต้องกินยาพันมักโอสถ รรมโอษฐ์ก็คือมักคแบบสิงสมาธิปัญญาหรือทานสิลภาวนาขึ้นอยู่กับสถานภาพของเราถ้าเรายังมีเงินมีทองอยู่เราก็ต้องใช้ให้มันหมดไปเพเราจะได้ไม่ต้องใช้เงินทองอีกต่อไปไม่ต้องหาเงินทองอีกต่อไปเราจะได้เป็นนัก บ, บวชได้ไปบวชถ้าพอบวชแล้วนี่ก็ไม่ต้องใช้เงินทอง อาศัยการบินถบาตอาศัยการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทางเราก็ไม่ต้องค้างเงินทองเราก็จะมีเวลาที่จะมาเจริญมรรคได้อย่างเต็มที่จะมีเวลารักษาสิ่ให้บอยสุดได้จะมีเวลาเจริญสปิดอย่างต่อเนื่องเพราะการที่จะทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้ ใจจะต้องมีสติคอยกํากับ ด, ดูแลคอยควบคุมไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าการคิดนี่แหละที่ทำให้ใจไม่นิ่งทำให้ใจไม่สงบถ้ามีสติคอยควบคุมใจอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเ น, นื่องความสงบก็จะตามมาสมาธิก็จะตามมาพอได้ความสงบแล้วก็จะมีความสุข เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ก็จะทำให้สามารถละความอยากต่างๆได้การมีสมาธินี้ไม่ได้หมายความว่าความอยากต่างๆนี้จะหมดไปโดยอัตโนมัติการสงบนี้เป็นความสงบที่ยังยังยังเป็นเต้าของความอยากอ ย, กอยู่ ความอยางนี้ยังมีโอกาสที่จะมาทำลายความสงบไม่ได้อยู่่นเวลาออกจากสมาธิถ้าออกมาแล้วมาคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาวาสกับก็จะไปทำตามความอยากต่อไปแต่ถ้าแต่ถ้าออกมาจากสมาธิแล้วเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ใช้ปัญญามาสอนใจ ให้รู้ว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันให้ความสุขเพียงเล็กน้อยนอกจากความสุขเล็กน้อยแล้วยังให้ความทุกข์ที่มากตามมาด้วยแล้วก็เป็นความสุขที่สู้ความสุขที่ได้จากสมาธิไม่ได้ถ้าสอนอย่างนี้ก็จะหยุดความอยากได้เช่นพอออกจากสมาธิมาอยากจะไปเปิดดูทีวีอยากจะไปเปิดเพลงฟัง อยากจะไปเปิดตู้เย็นหาเครื่องดื่มหาขนมนมารัตถะทานก็ต้องสอนใจว่าอย่าไปอย่าไปเสพสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขแค่ฝ่ายนิ้นเป็นความสุขชั่วประเดียวประเดาสู้ทำใจให้สงบระงับความอยากดีก่พาพอเวลาระงับความอยากได้แล้วความสงบก็จะกลับคืนมาความสุขที่ยิ่งใหญ่ก็จะกลับคืนมานี่คือวิธีใช้ปัญญา สอนใจคอยสกัดคอยต่อสู้กับความอยากตา่างๆถ้าไม่มีความสงบแล้วไม่มีใจจะไม่มีกำลังต่อสู้กับความอยากเวลาอยากอะไรแล้วจะต้องทำตามความอยากกันทีเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำแล้วเหมือนจะจะต้องดิ้นตายให้ได้คนที่ติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดสุรานี้จะรู้สึกเลิกยากมากถ้าไม่มีความสงบ ถ้าฝึกทำสมาธิได้นั่งสมาธิได้ทําใจให้สงบเวลาเกิดความอยากที่จะเสพยาเสพติดอยากจะดื่มสุราอยากจะเสูบบุรีพอใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเสพก็ต้องเสพเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดก็จะต้องติดเป็นเหมือนปลาจุดแต่แต่ถ้าไม่เสพหยุดเสียก็ไม่ต้องเสพต่อไปใจที่มีความสงบนี้ก็จะมีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ เพราะว่าความสงบนี้มีความสุขอยู่ในตัวพอพอหยุดความอยากเพราะนั้นความความสุขก็กลับคืนมาทันทีพอเวลาเกิดความอยากแล้วความสุขนั่นก็หายไปทันทีนี่คือการปฏิบัติที่จะต้องมีมีทานก่อนก่อนที่จะมีศีลได้ก่อนที่จะมีสมาธิได้ก็ต้องมีศีลก่อน ก่อนที่จะมีปัญญาหรือการก่อนที่จะใช้ปัญญามาตัดกิเลสได้ก็ต้องมีสมาธิความสงบเป็นเครื่องสมรรถต้ออนกันก่อนที่จะหลุดพ้นได้ก็จะต้องมีปัญญามีเป็นทำขั้าแต่ละข่านที่เราจาเป็นจะต้องเจริญไปตามขั้นตอนข้าขั้นตอนไม่ได้เหมือนกับตอนที่เป็นเด็กก่อนที่เราจ ะ, ะก่อนที่เราจะยืนได้เราก็ต้องคลานก่อน พอเราคานได้เราก็ยืนได้ก่อนที่เราจะเดินได้เราก็ต้องยืนก่อน Favorite. ก่อนที่เราจะวิ่งได้เราก็ต้องเดินก่อนต้องผัดไปเป็นขั้นเป็นตอนไปการปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ถ้าเราปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษาขั้นตอนก่อนเราก็จะข้ามขั้นตอนไปพอเราปฏิบัติข้ามขั้นตอนไปผลก็จะไม่เกิดหรือถ้าเกิดจะเป็นผล <aff ord ial data> ไม่ใช่ผล <aff ord ial data> จริงเป็นผลเทียม ทำให้หลงตนเองคิดว่าตัวเองได้บรรลุแล้วได้บุดพ้นแล้วทันทั้งที่ยังมีกิเลสเป็มอยู่ในหัวใจก็ต้องระมัดระวังเพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคนบ้าไปได้ที่คนเรามาปฏิบัติแล้วเป็นบ้ากันก็เพราะเหตุผลอย่าง น, นี้คือไม่ศึกษาไม่รู้จักวิธีของการปฏิบัติปฏิบัติไปแล้วก็เหมาเอาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเอง สุดท้ายก็ ก, กายเป็นคนบ้างไม่ยอมฟังใครไม่เชื่อกันดังนั้นการปฏิบัติทางของพุทธศาสนานี้จึงจําเป็นจะต้องมีครูมีอาจารย์หรือถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ต้องมีหนังสือของพ่อทพุทธเจ้ามีหนังสือของครูบาอาจารย์แต่ก็ยังสามารถทําให้หลวงพ่านได้เพราะการอ่านหนังสือนี้ เราอาจจะแปลความหมายผิดไปก็ได้ดัง น, นั้นเราต้องระมัดระวังถ้าเราปฏบัตตามลำพังโดยไม่มีครูบาอาจารย์เราต้องยึดหลักใจเป็นหลักเราต้องดูใจเราตลอดเวลาว่าใจเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่หรือไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่หรือไม่มีความทุกข์มีความไม่สบายใจอยู่หรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าเรายัางไปไม่ถึงไหนอยากไปคิดว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วลัวคิดว่าเราหลุดพ้นแล้วเพราะว่าเรายังไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ที่จะพิสูจน์ความจริงว่าเราใจของเรานั้นไม่มีกิเลสหรือได้อย่างไรเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงยึดียวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินให้พวกเราดำเนินกัน ก็คือปริญญาการศึกษาปฏิบัติคือการนําเอาสิ่งที่เราได้ศึกษามาปฏิบัติจนกว่าเราจะบรรลุคือปฏิเวทแล้วหลังจากนั้นเราจึงจะนําเอาสิ่งที่เรารู้จริงเห็นจริงนี้มาเผยแผ่มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นให้ได้รับประโยชน์ต่อไปถ้าเราศึกษาแล้วไม่ปฏิบัติแล้วเราเอาไปเผยแพร่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น เราก็อาจจะพาให้ผู้อื่นหนงนทางได้แทนที่เขาจะได้รับประโยชน์เขากัดจะได้รับโทษจากการสั่งสอนของเราะนนั้นอย่าเพิ่งรีดร้อนไปสั่งสอนผู้อื่นพยายามสอนตัวเราให้ฉลาดก่อนให้รู้จริงเห็นจริงก่อนให้หลุดพ้นจากค่านทุกก่อนแล้วค่อยไปสอนผู้อื่น mm hmm. ก็การแสดงก็คิดว่าสมควรแก่เวลา ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนอยู่ตรงไห น, นมีปัญหาอะไรหรือมีอะไรดีๆมาเล่าให้ฟังมาแบ่งกันฟังก็ได้เพื่อจะได้มาช่วยกันยืนยันว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นโมฆะสามารถยังประโยชน์ยังผลให้เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติได้ทุกยุคทุกสมัยเป็นอาการลิโก ไม่ใช่เป็นธรรมเฉพาะสมัยพระพุทธกาลเท่านั้นแต่เป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้ใดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้นั้นย่อมได้รับผลที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นอย่างแน่นอนถ้ามีใครมีอะไรดีๆมาเล่าขลุ่มกันฟังก็จะทำให้เกิดกำลังใจต่อกันละกันทำให้มีความปิติมีความดีมีความสุขมีความดีใจ ที่มีเพื่อนปฏิบัติด้วยกันได้มีโอกาสได้สัมผัสรับรู้ทำอันยิ่งใหญ่นี้น อ, นนอ่าเชิญหยิบได้ ของพระพุทธเจ้านี้สดๆร้อนๆเหมนเพิ่องออกมาจากโรงงานถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็นรถใหม่เอี่ยมมีสมรรถภาพเต็มร้อยไม่ว่าจะออกมาตอนไหนก็ตามออกมาปีนี้หรือปีที่แล้วหรือปีไหนก็ตามก็เป็นของใหม่ทั้งนั้นสดสดร้อนๆเป็นอาการลิโกสามารถยังประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติ ได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่ที่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นว่าจะนำเอาไปปฏิบัติได้หรือ ไ, ไ, ไม่มีศรัทธาที่จะปฏิบัติหรือไ ม, ไ ม, ไม่มีอิทธิบาสีคือฉันทะวิริยะกิตตะวิมังสาหรือไม่นี่เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งถ้าไม่มีอิทธิบาสี ไม่มีฉันทะความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติไม่มีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียนที่จะปฏิบัติมีจิตตะคือใจจดจ่อกับการปฏิบัติมีวิมังสาคือไข้ควรคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติถ้าไม่มีคุณธรรมทั้ง4ประการนี้แล้วก็ยากที่จะสามารถปฏิบัติให้บรรลุผลได้ ดัง น, นั้นถ้าเรายังไม่มีฉันทะวิะริยะสิกตาวิมังสาเราก็ต้องควรที่จะปลุกให้เกิดขึ้นมาการที่จะเกิดฉันทะด้านนี้ก็ต้องเกิดจากการศึกษานั่นเองศึกษาถึงผลที่เราจะได้รับเหมือนกับเวลาเราไปสมัครงานนี่สิ่งที่เราอยากจะรู้คืออะไรจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหเราไม่สนใจว่างานจะหนักหรือจะเบาจะยากหรือจะง่าย อันนั้นไม่ต้องถามไม่สนใจอยากจะรู้เท่งนั้นว่าจะได้เดือนเท่าไรฉันไดการปฏิบัติการคาสอนของพระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้ว่าจะได้อะไรจากการปฏิบัติจะได้เงนินกี่ล้านถ้ารู้ว่าได้ร้อยล้านพันล้านนีเราก็จะมีฉันทะขึ้นมา ท, าทันทีมีความยินดีมีความพอใจมีความอยากจะปฏิบัติทันที เราก็ต้องพยายามศึกษาให้รู้ว่าผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัตินี้มูลค่าของมันนี้มีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าทรัพสมบัติทั้งหลายในโลกนี้มหาสมบัติมหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกก็ยังยังไม่รวยเท่ากับผู้ที่บรรลุนักฝนนิพพานให้คิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าเราจะรวยยิ่งกว่ามหาเศรษฐีระดับหนึ่งของโลกแล้วเราก็จะมีความ พอใจมีความยินดีมีความอยากที่จะปฏิบัติแล้วเมื่อเรามีความพอใจความยินดีแล้วเราก็จะมีความขยันปฏิบัติเองเหมือนถ้าเรารู้ว่าเราทางานชิ้นนี้แล้วเราจะได้เงินเป็นกรอบเป็นกำรรี้เราจะไม่นอนหลับที่เกียจนอนหลับเราจะไม่ไปเที่ยวไปเะเล่ทเทเ่ที่ไหนเราจะรีดทํางานนี้ให้เสร็จเพื่อเราจะได้รับผลงานได้รับเงินรางวัลจากการกระทางานของเรา นี้ก็สำคัญที่สุดเราต้องศึกษาให้เห็นคุณค่าของมรรคผลนิพพานให้ได้ให้เห็นว่าไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่มีคุณค่ายิ่งกว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแม้แต่มหาเศรษฐีลำดับหนึ่งของโลกนี้ก็ยังหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้คิดดูเอาไปแล้วกันมีเงินเป็นแสนแสนล้านยังไม่สามารถเอาเงินแสนล้านนี้มาดับความทุกข์ภายในใจได้เลยยังต้องทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กับความตายทุกข์กับความเสื่อมของลาบของยศของสรรพเสริญของของของลูกเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆนี่คือสิ่งที่เงินทองระดับมหาเศรษฐีร้อยล้านแสนล้านไม่สามารถทําได้แต่ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้แล้วจะไม่มีความทุกข์กับเรื่องอันใดทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความเสื่อมของราบยกสะะเสลเสริญหรือของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความเสื่อมของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายสิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นทุกข์กับใจของผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานเลยให้คิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเพราะไม่มีใครอยากจะทุกข์กันไม่มีใครอยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกัน มาเกิดแต่ละครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกว่าจะโตได้ก็ต้องเหนื่อยต้องหัดคลานหัดยืนหัดเดินหัดกินหัดทาหัดพูดหัดเรียนหนังสือกว่าจะโตกว่าจะสามารถทามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็เหนื่อยยา ก, ยากแสนยากแล้วพอมาทำมาหากินก็เหนื่อยยากแสนยากกับการทามาหากินอีกนานถึงจะมีเวลาว่างหาความสุขสัก ครั้งหนึ่งเช่นอาทิตย์หนึ่งก็มีสองวันเสาร์อาทิตย์ก็จะต้องพักผ่อนแล้วพาะทำงานมาหวันด้วยกันทั้งเหนื่อยทั้งเครียดจากการงานมันก็จะมีเวลาหาความสุขได้เท่าหรการมาเกิดนึ่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีการเกิดนี้เป็นการมาหาความทุกข์เป็นการเดินเข้าหากองเปลงกองไปไม่ใช่เข้าหาความสุข ไม่เข้าไม่ไม่ได้เข้าหาทรัพย์อันมหาศาลผู้จรจาจะไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องวุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆไม่มีวันจบสิ้นถ้าได้ปฏิบัติจนบรรลุมรรคผลนิพานแล้วทีนี้จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่าตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆ ขอให้เราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเห็นคุณล้าของการปฏิบัติเมื่อเห็นคุณค่าแล้วทีนี้ก็จะมีความยินดีที่จะปฏิบัติถึงแม้จะยากลาบากอย่างไรก็จะมีความภาคเพีย์ที่จะปฏิบัติ ไ, ได้พอเราปฏิบัติแล้วทีนี้ก็จะเห็นผลพอได้ผลแล้วทีนี้จะยิ่งเกิดมีฉันทะวิริยะขึ้นมาใหญ่เหมือนกับเวลาทางานคิดแรกสาเร็จแล้วได้ ได้เงินตอบแทนมาเป็นเป็นเกเป็นกรรมอย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะทำให้มากขึ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราพยายามขั้นต้นสร้างสันทะความพอใจความยินดีกับการปฏิบัติทำให้ได้ให้เราเห็นคุณค่าของผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติว่ามันเป็นคุณค่าอันมหาศาลมากมายกว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ที่จะให้กับเราได้พอเราเห็นอย่างนี้เราก็จะมีความภาพเภียงมีความขรยันที่จะปฏิบัติจิตใจของเราก็จะคิดแต่เรื่องปฏิบัติเราไม่ทะเลทลายไปคิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีไปทำอะไรดีที่ไหนแต่เอาแต่ปฏิบัติอย่างเดียวใครมาชวนไปไหนไม่ไปถ้าชวนไปปฏิบัติไปชวนไปวัดไปไปปฏิบัติไปแต่ถ้าชวนไปเที่ยวไปกินไปดื่มนี้จะไม่ไป มีเรว่จ no ิตใจจดจ่ออยู่ก right? ับการปฏิบ like ัติว mm ิมังสาก็ค่ายควรคิดแต่เรื่องปฏิบัติคิดว่าปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างไรเจริญสติอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรพิจารณาความปัญญาอย่างไรแต่คิดแต่เรื่องราวเหล่านี้คิดแต่เรื่องศิงสมาธิปัญญาคิดแต่เรื่องอริยสัจสี่คิดแต่เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าวิมังสา ถ้าเรามีที่บาทสี่อย่างนี้แล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนพอได้ผลแล้วทีนี้เราก็สบายเหมือนกับได้รางวัลได้รับเงินเดือนความเหนื่อยยากทั้งหลายที่เราต้องพันฝ่ามามันก็จะหายไปหมดปิดทิ้งเวลาเราได้รับรางวัลเวลาจิตบุจพร น, นี้มันเหมือนกับยกภูเขาที่หนักออกจาก อ, อกเราไป อันนี้ใจของเรานีแต่ความเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจอยู่ในอิรยาบดใดอยู่ในสถานที่ใดเวลาใดอยู่ในสภาพใดใจจะไม่มีความหนัก อ, อกหนักใจต่อไปมีแต่ความเบาใจสบายใจเหมือนลอยอยู่ในอวากาศนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมจากการบรรลุมรรคผลมิพานอยู่ที่ใจของเราเราไม่ได้ไรายภายนอก ภายนอกเรายังเป็นคนปกติเหมือนเดิมอยู่คนข้างนอกเขาไม่รู้หรอกว่าใจของเราเป็นอย่างไรที่เราเท่านั้นที่รู้หรือผู้ที่ปฏิบัติด้วยกันจะรู้แต่คนที่ไม่ปฏิบัตินี้จะไม่รู้แต่เราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสาคัญเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ใครรู้เราปฏิบัติเพื่อให้เรารู้เท่านั้นเองเรารู้ว่าเราพ้นจากความทุกข์แล้วเราแค่นี้ก็พอใจแล้ว คนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สําคัญเขารู้ก็ไม่ได้ทำให้เขาพ้นทุกข์เขาไม่รู้ก็ไม่ได้ทำให้เขาพ้นทุกข์เหมือนกันนอกจากว่าถ้าเขารู้ว่าเราพ้นทุกข์แล้วเขาอาจจะมาขอความช่วยเหลือจากเราให้เราช่วยสอนให้เขาพ้นทุกข์เท่านั้นเองในการปฏิบัตินี้เราไม่ต้องการรางวัลเราไม่ต้องการผลตอบแทนจากใครเลยเราต้องการผลตอบแทนที่ปรากฏขึ้นภายในใจของเราเท่านั้นเอง ไม่ต้องการรางวัลจากใครไม่ต้องการการยกย่องสรรเสริญอะไรต่างๆจากใครทั้งนั้นเพราะใจมันอิ่มนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุธรรมนะใจจะอิ่มอยู่ตลอดเว ล, ลาเหมือนกับคนที่รับประทานอาหารอิ่มแล้วต่อให้ยกอาหารมีราคาแพงขนาดไหนอร่อยอร่อขนาดไหนมาวางไว้ข้างหน้าก็รับประทานไม่ลงเพราะไม่หิวแล้วอิ่มแล้วในาผู้ปฏิบัติ มรรคผบรุมรรคผลนิพพานแล้วจะไม่หิวจะไม่อยากจะไม่ต้องการอะไรนพราะนั้นะจะอยู่อย่างมีความสุขและความอุดความพอนี้ก็ไม่มีวันหมดไปไม่เหมือนกับการรับประทานอาหารที่อิ่มก็อิ่มเพียงชั่วคราวเท่านั้นเองพออีกสักสองสามชั่วโมงก็เกิดความหิวเกิดความอยากขึ้นมาอีกแต่ใจที่อิ่อมด้วยมรรคผลนิพานนี้จะไม่มีวันหิวอีกต่อไปอันนี้แหละเป็น สิ่งที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติถ้าเราคิดอย่างนี้ศึกษาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเกิดฉันทะขึ้นมาพอเกิดฉันทะก็จะเกิดวิริยะเกิดจิตตะกเกิดวินังสาตามมาการปฏิบัติของเราก็จะเป็นไปด้วยความเข้มข้นด้วยความด้วยความต่อเนื่องจนกว่าที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกับไป พอเริ่มจุดแล้วมันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆดาบได้ตรงไหนยังมีเชื้ออยู่มันก็จะไหม้ไปจนกระทั่งไม่มีเชื้อเหลืออยู่แล้วไฟมันถึงจะดับผู้ที่มีอิธิบาทสี่แล้วก็จะปฏิบัติไปจนกว่าจะสำเร็จถ้ายังไม่สำเร็จก็จะปฏิบัติไปผู้ที่มีอธิบาท4ี่พระพุทธเจ้าจึงทรงประยาการไว้เลยว่าไม่เกินเจปีเป็นอย่างมากถ้าจะลาบมีความ รู้ความเจริญมีผ่านสามารถสูงก็ภายในเจ็ดวันก็สามารถบรรลุนักพรหมมิพานได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธจเจ้ามาสั่งสอนต่อให้ปฏิบัติไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยก็จะไม่มีวันบรรลุได้เพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกทางถ้าไม่มีคนบอกทางก็จะไม่สามารถาปฏิบัติเพื่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางได้ แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้ามาสารแล้วนี่สามารถไปได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดปีอันนี้แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาถ้าเราไม่ได้มาเกิดกับพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มีโอกาสที่ได้บรรลุภายในเจ็ดปีภายในเจดวันได้ดังนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสทองนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับว่าบร้ษัตว์เขากําลังจะปิดเขาเปิดเขาจะลดราคาสินค้า นั่นเหลือแค่สิบเปอร์ซ็นตตอนนี้ถ้าใครไม่ไปรีบซื้อเดี๋ยวก็ไม่มีโอกาสเพราะเดี๋ยวก็จะหมดใครขายแล้ขายพันก็เดี๋ยวไม่ขายเพียงร้อยเดียวรับรองได้ว่าขายไม่กี่วันก็ต้องหมดอย่างนี้นไม่เกินเจ็ดวันยัในใดพวกเรามามาเจอพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับมาเจอโอกาสทองทองกดโอกาสให้เราซื้อของถูกถูกแล้วปฏิบัติเพียงเจ็ดวันเจ็ดปีเท่านั้นเอง ถ้าไม่รีบปฏิบัติตายไปจากตายไปแล้วกลับมาเกิดถ้าไม่เจอพระพุทธศาสนานี้ปฏิบัติไปเป็นเจ็ดร้อยกับก็ไม่มีวันที่จะบรรลุได้เพราะฉะนั้นพยายามรีบตับดวงโอกาสอันดีนี้เถิดน้ำขึ้นให้รีบตักเพราะถ้าน้ำลดไม่มีน้ำให้ตักแล้วก็จะก็จะไม่มีโอกาสก็คิดว่าพูดพอสมควรนะเราจ้าไม่มีใครอยากจะถามปัญหาอะไร ก็จะให้พอเผื่อท่านที่อยากจะกลับก็จะได้กลับกันก่อน <c oughs> อยะถ า, าวาเลยวะหาปุราตาเลยปุเรนติสากะังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิตาเมวะสมิจัตุสัพเพกรเรนตุสังกตา จันโทปณาวะโสยทามณีโจติระโสยทาสัพพติโยวิวัจจันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตราโยสุขีติคายุโกภวะาอภิวาธนาสีริศะนิจจังวุทธาปจายโลยัตาโรธรมมวาทานติ อายุวันสุขังพลัง ที่โรงเรียนผู้รู้ต่ต้องนัดกันทียลวคนนะั้นฉนั้นยังไม่ได้นัดกันเพราะว่าผลออกไปข้างนอก